หมูป่ากระลิงพองงานกระถิ่นของเรามันก็รวยเหมือนกันนะโปะๆพระมาจากวัดต่างๆท่านมาท่นนานก็ขนละกอมาให้ขนละรถขนละกอขนกล้วยมาให้ทีนี้พวกนี้นก็ส่งเข้าไปในปาแล้มาเนนะี่ยนี่มันก็เลยเหมือนไปนถูกลอตเตอรี่เหมือนกันทั้มันไนงะในช่วงนี้ว่า ง, งั้นเถ อ, อะเออกินแนละ้วจนสนุกสนานเลยเพราะว่ามาเห็นป้วนเปี้ยนมาแถวๆนี้ ตามปกติตอนเย็นๆเนี่ยเวลาพวกพระท่านเลี้ยงอาหารหมาเนี่ยมันออกปนเปียนปนเปียนมันหิวมันนะแล้วก็หมูน้อยหลังไหลออกมามันหากินมาแย่งมากินอาหารกับพวกหมาแต่ตั้งแต่กระถินมานี้รู้สึกว่าเงียบไม่ออกมาปนเปียนเหมือนกันเถอะก็คิดว่าอาหารข้างในมันยังมีกินอยู่เหมือนกันเถอะอันนี้คือสัตว์ป่าในวัดของเรารู้สึกว่าจะมาก ตอนกลางวันก็รู้สึกบอกพวกนกนกต่างๆนกก็เยอะนะแต่หลวงปู่ยามท่านบอกว่าถ้าว่าไม่มีลิงเนะี่ยไม่มีลิงนกจะมากอแบบเวลามันวางไข่นั่นแนะ่ะถ้ามันมีลิงเนะี่ยมันเห็นนกออกไปจะที่ไหนมันจะไปล้วงเอาไข่นกมากินหมดเพรางั้นแต่ลิงในตัวการมันเอางั้นแต่กินไข่กินไข่ไก่กินไข่นกเพราะฉะนั้นนกทั้งหลายแหลเนยะถ้ามีลิงกนะ็ไม่ ไม่มากหรอกนกปูจามท่านว่าพินาดูแล้วจะจริงคําท่านนะเดี๋ยวนี้พวกนกตัวเล็กๆน้อยๆทั้งหลายแหล่นู่นู่นไปออกไปวางไข่แถวขอบขอบกำแพงนู่นนะล้อๆกาแพงกรอบๆกาแพงที่ลิงไม่ไปนู่นอยู่ในป่ามันไม่ค่อยจะวางไข่แล้วงั้นเถอะเพราะลิงกินไข่ของมันหลวงปู่จามเนี่ยพูดแปลกๆไปเลยท่านว่าสัตว์ในโลกนี่ทุกที่สุดคือปลาเท่านั้นเราก็ถามว่าเอ้า ทำให้หลวงปู่ว่ามันทุกอย่งไงปลานะเนาะก็ดูสิเออเวลามันจะนอนมันนอนในน้ําเวลามันจะหายใจมันก็ต้องโผล่ขึ้นมาเวลามันจะจะขาดเหมนกันมันไม่มีเวลาหลับไม่มีเวลานอนในปลาเหมือนกันเออเขาก็ฟังฟังมันก็แม่นความหลวงปู่อะไรหลายบาทเดี๋ยวเขาก็เถียงบ่ข้นด้วยกันว่าปลานทุกี่สุดเหมือนกันไม่มีเวลาหลับไม่มีเวลานอนเกิดเป็นปลาเหมนกัน เวลาจะหายใจก็ต้องโผลขึ้นมาถึางจะค่อยลงไปอีกเหมือนกันขึ้นหายใจอยู่ไปบ่อยเหมาอนกนอันวานฝนตกคราวนี้ก็รู้สึกว่าชาวไร่ชาวนารู้สึกว่าสบายอกสบายใจดีอกดีใจมากเพราะว่าข้าวในท่าว่าฝนไม่ลงอีกสักสองครั้งนะจากนี้ไปอีกสักครั้งหนึ่งนะชาวนาจะมีปัญหาทีเดียวนาที่มันนาสูงนะ่ะถ้านาต่ําก็ไม่ว่ากันละ แต่นาสูงเนี่ยถ้าฝนไม่ตกเนี่ยมีปัญหาแน่แน่แต่คราวนี้ตกรู้สึกว่าข้าวกําลังจะออกรวงฝนก็ตกมาพอดีชาวนาเขาก็ดีอกดีใจแต่อีกสักช่วงระยะหนึ่งกําลังข้าวมันจะแก่เนี่ยต้องใช้เวลาประมาณสักสองอาทิตย์ช่วงนั้นก็คงอยจะฝนตกอกกีกสักครั้งสักครั้งหนึ่งก็คงจะดีละพอแล้วท่านนี่ทําไมหลวงพ่อจึงรู้เพราะหลวงพ่อเป็นลูกชาวนาเนี่ยรู้จักเพราะงั้นเถอะ แล้วก็พวกพืชไร่ทั้งหลายแหละก็พวกถั่วพวกอะไรก็คงจะได้รับผลฝนตกคราวนี้รู้สึกว่าดีตาไม่จริงแต่โ บ, บราโบราณเมื่อก่อฝนตกล้างหางประทีบเปนควดีที่สุดอันนี้มันจังเลยมาแต่รู้สึกว่าชาวนาเขาคงจะทํานาชาไปยังไงก็ไม่รู้นะแต่ตาไม่จริงขนาดที่มันน่าจะออกพรรษา ม, มันน่าจะเริ่มเก็บเกี่ยวได้แล้วข้าวแล้วก็พวกชาวบ้านบอกนะพวกผู้เฒ่าผู้แกลูกหลาน ชาวบ้านของเราเดี๋ยวนี้ข้าวโพดกําลังจะออกสู่ตลาดเพราะฉะนั้นใครปลูกข้าวโพดได้ขายข้าวโพดแล้วก็พยายามให้ดูน่ะบอกลูกหลานในการใช้เงินไปใช้หรือชูอแฉกไม่ได้เลยต้องประหยัดพอได้เงินมาแล้วบ้านนอกรวยมากไปหาเหล่นการพนันกันได้เงินมาทั้งปีทั้งชาติพอได้เงินมากลืมตัวเงินกันหน่อยเดียวตนเอง น, ะน่ะมันก็ไม่ใช่มากถ้าเก็บไว้ก็มันก็มีประโยชน์ ถ้าไม่เก็บไว้ใช่รูดช่วยแชร์มันก็หมดเร็วๆเหมือนกันน่ะมีอะไรขวางหน้าซื้อทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่บ้านน่ะตัวการใช้เงินพอมีเงินมาทำพิษก็ไม่เป็นได้ไปซื้อออกจากตลาดให้เขาบดแล้วมาให้กินหน่อยอยังนั่นน่ะผักเขาไปซื้อในตลาดทั้งที่พอจะปลูกได้เก็บได้ถ้าว่าแม่บ้านไม่รู้จักในการใช้เนี่ยเงินเนี่ยมันหมดเลยพอหมดแล้วก็ทะเลาะ ก, กันลนะจะเนี่ย เหมือนกระลิงหลวงพ่อนะ่ะเหมือนกับหมูป่าหลวงพ่อนะผมพา ก, กันกินกินไปกินมาพอหมดแล้วก็กัดกันบ้าเนเอมึงนั่นแต่กินหลายกู้เรากินหน่อยบ้าเนเองงับกันมางั้นเถอะอันนี้ชีวิตของครอบครัวกับลักษณะนั่นอ่ะมันต้องรู้จักเก็บรู้จักหารู้จักใช้ในช่วงที่มันมีเข้าโพดกับปีหนึ่งก็มีครั้งเดียวชาวนาชาวไร่จะได้เงินสองสามหมื่นบาทสามสี่ห้าหมื่นบาทบางคนก็ได้เป็นแสนบาทเงินขนาดนั้น ถ้าใช้เป็นมันก็ยังมีความอบอุ่นในครอบครัวมีเงินไว้ในบ้านแต่ถ้าอากว่ามีอะไรก็ใช้หมดพอมีเงินมันก็ใช้หรือชุยแชกไม่คิดไม่อ่านนะเดี๋ยวก็เป็นหนี้เป็นสินพลงพลังเจ็บไข้ได้ป่วยมีความจําเป็นมากอะไรทั้งเดือดร้อนพูนวยัยเพราะนั้นพวกผู้เฒ่าผู้แก่พ่อแม่ทั้งหลายต้องบอกกล่าวสอนลูกหลานนะให้รู้จักในการใช้แต่ไม่ถึงกับขี้แตนีทีเหนียวไม่รู้จักแบ่งปันใครก็ไม่ใช่อย่างนั้น แต่รู้จักวิวธีการใช้อย่าไปใช้หลูจูชากไปหาซื้อหวยซื้อเบอร์เล่นการพนงพนานนั่นล้วนแล้วแต่มันเป็นไปทางผิดเน่ะซื้อเหล่ายาปลาปิ่งมากินมาเลี้ยงกันมาสังสรรค์กันล้วนแล้วแต่มันเสื่องหายนะนาทางนั้นน่ะไม่รู้จักตัวเองถ้าหาว่ารู้จักตัวเองก็ต้องฐานะของเราเป็นยังไงการเงินของเราเป็นยังไงก่อนที่เราจะได้เงินมานด้วยวิธีอย่างไรมากน้อยแค่ไหน เงินที่จะไปยืมจากธนาคารมาเรามีจะให้เขาหรือยังตกสงที่เราจะให้เขาสิ่งนั้นเราต้องคิดวางแผนไปหมดโดยมากชาวบ้านไม่ค่อยคิดนาอแต่หลวงพ่อก็ในฐานะอยู่กับสุเจ้าทั้งหลายถ้าสุเจ้าเดือดร้อนหุนวายหลวงพ่อก็เดือดร้อนเหมือนกันนะั่นน่ะเพราะมันเกี่ยวเนื่องกันเพราะนั้นหลวงพ่อเป็นหลวงหูหล ง, ง, งตามก็ต้องได้พูดได้กล่าวบางตเตือนลูกหลานอย่าจโจม รดูจับเก็บดู้จักหารู้จักใช่ดูจักประหยัดถ้างพวกเราจิตใจสบายก็เขาวัดเขาวามันก็จิตใจสบายนะ เ, เขามาช่วยวัดวาศาสนาก็สร้างบุญสร้างกุศลจิตใจก็สบายท่านเดือดร้อนปุ่นวายในครอบครวัวมันลงมันตุ่มมีแต่จะฆ่าจะกัดจะเคี้ยวกันอยู่ตลอดเวลามันจะมีแก่จิตแก่ใจจะเขาวัดเขาวาได้ยังไงเขามาวัดมาวาก็จิตใจไม่สงบจิตใจไม่เยือกเย็นนี่แหละเพราะนั้นทางว่าวาง แผนวางแปลนถูกแล้วมันก่อนจิตใจสบายทําบุญทํากุศลก็เป็นบุญเป็นกุศลแต่หากว่าทําไม่ถูกแล้วมันเดือดร้อนเลยเดือดร้อนบุญวายไปหมดนั่นแหะเป็นบาปอกุศลวิ่งเข้าสู่จิตใจทั้งหมดนั่นแหะหรือมันเกี่ยวเนื่องกันอของทุกสิ่งทุกอย่างมันเกี่ยวเนื่องกันการเป็นอยู่ถ้าอดอยากมาแค้นอะไรจะสอนธรรมะให้มันก็ไม่เอาเลยมันต้องวิ่งเข้าไปหาข้าวนะอิ่มท้องซก่อนยังค่อยว่ากันเมื่อนั้นเถอะนี่ แตหาว่าไม่อิ่มท้องลราจะไปสอนธรรมะจะไปสอนคุณงามความดีให้ไม่เอาทั้งนั้นแหละพราะมันหิวอถ้าพอมันอิ่มแล้วก็พูดอะไรให้ฟังก็ฟังพออิ่มท้องแล้วมันใช่จะอิ่มแต่วันเดียวได้แต่เนี้อีกต่อไปมันก็นจะหิวอีกอะเพราะน้ำตังปฏิบัติแบบต่อเนื่องสืบเนื่องนั่นการคลองชีพปัจจัยสี่ที่พูดมาทั้งหมดนั่นก็คืออาหารของกายจะไปมองข้ามก็ไม่ได้ ปัจจัยสี่คืออาหารทางร่างกายเราจะไปหมกปุ้นแต่อาหารทางร่างกายอย่างเดียวไม่ได้เสาะแสวงหาธรรมะทางจิตใจมันก็เหมือนกับสัตว์ที่ชานตัวหนึ่งเหมือนกันนะทั้งที่เป็นมนุษย์ร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นสัตว์ที่ชานเรียว่ามนุษย์มนุษย์เตชาโนมนุษสาเปโตมนุษสาเทโวมนุษสามนุษย์โสมนุษสาพุทโธมนุษย์สาอรหัตโย ลุนแล้วแต่ออกจากมนุษย์ทั้งหมดนั่นนะ่ะมนุษย์ทิรฐิฉาโนก็คืออะไรคือร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นสัตว์ทิฏฐิฉาไม่ได้คิดไม่ได้อ่านอะไรมีแต่หาเลี้ยงฝากเลี้ยงท้องกินนอนขายายพันธุ์ไปธรรมดาจากนั้นก็ร่มหายตายจากไปไม่ได้คิดทางจิตใจอันนี้ระวะ่างมนุษย์สัตว์ทิรฐิฉานโนเกิดมาเป็นมนุษย์แต่จิตใจไม่ได้สอดแสวงหาธรรมะมีแต่หาแต่ปัจใจสีเลี้ยงชีพ จากนั้นก็ล้มหายตายจากไปถ้าเป็นมนุษย์สามนุษย์โสเนี่ยมนุษย์แปลว่าผู้สูงเป็นผู้ประเสริฐ เ, เวลาเราเสาะแสวงหาปัจจัยสีเลี้ยงร่างกายตัวเองแล้วมีความสุขสมควรแล้วก็นั่นแหละหันหน้าเข้าหาวัดหาวาศึกษาธรรมะภาคปฏิบัติให้ทานรักษาศีลภาวนารักษาศีลอะไรจำเป็นสำคัญอย่างมากรักษากายวาจาให้เรียบร้อย จากนั้นการทำจิตของตนให้สงบอันนี้แปลว่ารักษาสุขภาพจิตออันนั้นที่เราเสาะแสวงหานะั้นคือหาปัจจัยสี่เพื่ อ, อยังชีพให้เป็นไปแต่ถ้าหาว่าไม่มีปัจจัยสี่ก็อย่างที่ว่านั่นอะเดือดร้อนวุ่นวายแต่เมื่อเราหาปัจจัยสีเราเพียงแค่นั้นหยุดอยู่เพียงแค่นั้นข้าไม่ได้เบียดเบียนใครข้าไม่ได้ทําความชั่วอะจะไปคิดว่าข้าไม่ได้ทําความชั่วมันได้ยังไง มีแต่คนงโง่เท่านั้นนะไม่รู้จักความชั่วไปถามหมูหมากาไก่ความชั่วคืออะไรมันไม่รู้อันนี้ก็เหมือนกันน่ะมนุษย์ของเราถ้าไม่ได้ศึกษาธรรมะเราไม่รู้หรอกความชั่วนั่นคืออะไรถ้าศึกษาธรรมะเราเราจะรู้ได้ว่ากายกรรมการกระทําทางกายเป็นยังไงวจีกรรมการพูดมันเป็นยังไงมนโนกรรมการคิดเราเป็นยังไงเราจะรู้ได้ด้วยตนเองถ้าเราศึกษาธรรมะนะถ้าเราไม่ศึกษาธรรมะเราไม่รู้หรอก ขนาดตัวเองทําความชั่วอยู่อย่างนั้นก็ยังไม่รู้จักความชั่วความชั่วคืออะไรนะยังไม่รู้จักตั้งที่ฆ่ามดฆ่าแมงฆ่าสกบฆ่าเกียดฆ่าภูฆ่าปลาด า, คน น, นดาคนน้อนดาคนนี้จิตใจก็โลภพยาบาทอาฆาตจองเวีนอยู่ตลอดจุงเยิงวุ่นวายอยู่ตลอดยังไม่รู้จักความชั่วของตัวเองเพราะไม่ได้ศึกษาถ้าเราศึกษาเราจะรู้ได้เอออันนั้นคือความชั่วอันนี้คือความดีเพราะนั้นต้องศึกษา ต้องปฏิบัติต้องศึกษาในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจึงจะรู้จักว่าความชั่วนั้นคืออะไรความดีนั้นคืออะไรถ้าเราไม่ได้ศึกษาพวกเราจะไม่รู้เพราะฉะนั้นการสอบแสวงหาปัจจัย4ี่อย่างที่กล่าวมาก็จําเป็นร่างกายของเราอาศัยปัจจัย4แต่เรา ส, ส่องแสวงหาปัจจัย4ี่เพียงอย่างเดียวนั้นไม่ถูกต้องต้องดูแลสุขภาพกายของตัวเองด้วยการดูแลสุขภาพกายก็จําเป็นสําคัญ เวลาเก็บไข้ได้ป่วยหรือว่าไม่สบายออกกำลังกายพักผ่อนอันนี้ก็จำเป็นดูแลสุขภาพจิตก็ จ, จำเป็นทั้งสามอย่างนี่ยจำเป็นสำหรับพวกเราที่จะได้รับความร่มเย็นผ้าสุขถาว่าปัจจัยสี่ของเราขาดเขินหาเงินหาทองข้าวน้าปัจจัยผ่านหุ่งหมขาดตกบกพร่องอขาดขาดเคินเขินเราก็หาความสุขไม่ได้ครอบครัวนก็หาความสุขไม่ได้ ในชีวิตนั้นหาความสุขไม่ได้เมื่อเราเห็นพวกขอทานทั้งหลายแหล่มมันหิวโหวยไปหมดจิตใจไม่แช่มชื่นเบิกบานทั้งหมดแต่ถ้าว่าเราไปเห็นคนรวยอีกเทนีไหรอไปเห็นคนล่ําคนรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีพวกเราก็คงใจเคยเห็นคงจะมีญาติอยู่แต่สุขภาพของเขาไม่ดีเี่เป็นอมภพฤษอมภพาดขาหักเอเจ็บไข้ได้ป่วยนอนโสมซานไปอยู่ท่นี่ พวกเรากคงจะเคยเห็นเหมือนกันทั้งที่ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นก็ไม่เกิดประโยชน์กับคนคนนั้นเหมือนกันทั้งที่ทรัพย์สมบัติมีถึงเยอะแยะอันนี้แปลว่าสุขภาพกายไม่ดีแต่ทีนี้พวกเราคงจะเคยเห็นอีกว่าเขามีเงินมีคำทรัพย์สมบัติร่างกายของเขาเขาแข็งแรงแต่ตัวของเขาเป็นโรคประสาทเป็นกิจประสาทเป็นบ้าอันนี้ทรัพย์สมบัติของเขาดีร่างกายความแข็งแรงของเขาดี มันก็ไม่เกิดประโยชน์สำหรับเขาคนนั้นอีกเหมือนกันเพราะเขาเป็นโลกประสาทแล้วไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วให้อยู่ยังไงให้ไปยังไงไมีแต่เป็นโลกจิตประสาทนะอันนี้ก็แสดงว่ามันขาดขาดทั้งสามอย่า ง, งทรัพสมบัติหนึ่งร่างกายหนึ่งจิตใจหนึ่งทีนี้หลักของพุทธศาสนาในท่านเน้นหนักเรื่องอาหารของใจซะมากกว่าถ้าว่าถึงจะทรัพสมบัติไม่มีนะ อย่างพระสงฆ์ออกบวชในพุทธศาสนาเนี่ยมีแต่ผ้าไตรจีวรสามผืนการเลี้ยงชีพว่สุดแท้แต่ใครจะใส่บาตรให้ฉันยังไงเอแปลว่าฉันยังไงก็ได้อย่างพระในครั้งพระพุทธเจ้าท่านออกไปบวชท่านเป็นลูกเศรษฐีพอไปบวชท่านก็ไปอยู่ในป่าอจนได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลว่าั้นเด็กท่านนี้ท่านก็มาบินทบาทมาบิณทบาทพวกคนใช้ในบ้านเศรษฐีน่ะ เอาอาหารไปเททิ้งเหมือนกันแตอาหารบูด ท, ท่านบอกว่าน้องหญิงเอามาใส่บาตเราก็ได้อาหารที่มันเสียนมันทีนี้นเขาก็มาใส่ก็ใส่เมื่อวันที่สองวันที่สามเขาเอา้าพระองค์นี้เหมือนจะเคยเห็นเนี่ยว่าพอที่ไหนได้เป็นลูกของในบ้านนั้นโอ้โวยวัยกันใหญ่เลยโอ้เป็นลูกเราขนาดนี้ทําไมกินของอย่างนี้ทั้าางวันการเลี้ยงชีพเพียงยังชีพให้เป็นไปเท่านั้น ถึงจะไม่เป็นอาหารของดีของทูตเจ้าแต่เป็นอาหารดีของเราเราพอยังชีพให้เป็นไปเราไม่ได้คิดอะไรอะไรอย่างอื่นเพราะกินของดิบของดีขนาดไหนมันก็ยังเกิดแก่เจ็บตายอยู่อย่างเก่านั่นแหละพอร่างกายนี้พอยังชีพให้เป็นไปอันนี้นคือนัก บ, บวชแต่จิตใจของท่านนั้นท่านฝึกฝนจนได้สาเร็จมรรคสาเร็จผลว่า ง, งั้นเถอะนี่แหละคือการมีปัจจัยสก็มีประโยชน์อย่างหนึ่ง แต่เราจะไปยึดมั่นเพียงแค่นั้นไม่ได้ไม่ถูกควรจะดูแลสุขภาพจิตการดูแลสุขภาพจิตนี้เลิศประเสริฐในทางพุทธศาษษสนาเป็นนักบวชออกมาแล้วนะท่านอยู่แบบเดียวดายอยู่ในป่าในเขาลําเนาไพรไม่มีอะไรเลยแต่จิตใจของท่านภาวนาชาระจิตใจของท่านบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสไม่มีความโลภโกรธหลงในจิตในใจท่านเป็นพระอรหันต์แล้วท่านอยู่ในสถานที่ใดท่านก็เป็นอุทานเป็นวาจาระ อยู่ในใจของท่านว่าสุกหนอสุกหนอไม่มีเครื่องพันธนาการทางจิตใจอันนี้แหละคือหลักของพุทธศาสนาท่านเน้นทางจิตใจจะมากกว่ามากกว่าสิ่งภายนอกอันนี้คือหน้าที่ของพระแต่สําหรับญาติโยมผู้จํารงครวา่อยู่ก็ต้องปฏิบัติในคราวา่าธรรมมีสั จ, จธรรมะขันติจาคะนนั้นอันนี้คือคราวา่าจะต้องประพฤติปฏิบัติ การอยู่ร่วมกันต้องมีสัจจะความจริงใจต่อกันให้รู้จักขมกิจของตนเมื่อมีอารมณ์ฉุนเฉียวโมโหโท โ, โสขึ้นมารู้จักขม่มนะจะไปปล่อยตามอารมณ์ถ้าปล่อยไปแล้วมันกัดไปหมดทั้งเรื่องที่ทิฏฐิมานะคนะันติให้มีความอดทนอดกลั้นอดทนต่อพ่อต่อแม่อดทนต่อตมู่ต่อเพื่อนอดทนต่อหน้าที่การงานอดทนในที่ทํางานของตนเองที่จะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นนี่คือมีคันติ สุขภาพอดทนแล้วก็จา่าขะรู้จักเสียสละการงานเบล่าเวลาของตนรู้จักเสียสละทรัพย์สมบัติของตนเพื่อพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงอ่าประเทศชาติบ้านเมืองอันนี้รู้จักเสียสละจา่าคะถ้าคนเราไม่รู้จักเสียสละจา่าขะแล้วโลกอันนี้มันก็เห็นแก่ตัวทั้งหมดเห็นอะไรก็แย่งกันไปกินหมดแย่งกันเอามาใช้หมดแย่งกเอามากอบโพยเอาไว้หมด โลกทั้งโลกคุณจะหาความร่มเย็ยนผาสุขไม่ได้ถ้าไม่มีการเสียสละอพวกเราที่เกิดมาเนี่ยพราพ่อแม่เสียสละด้ยอยจึงได้เป็นคู่เป็นคนกระทั่งทุกวันนี้ถ้าพ่อแม่ของเราไม่เสียสละไม่ดูไม่แล่ไม่ให้ข้าวไม่ให้น้ําไม่ให้อาหารการบริโภคพวกเราจะอยู่มาถึงขนาดนี้ไหมสัตว์สารสิงที่มาพึ่งพาอาศัยเราเราก็ให้จากะแก่เขา ถ้าว่าเราไม่ให้จ่าค่าเก่เขาหมาก็อยู่กับเราไม่ได้แมวก็อยู่กับเราไม่ได้เพราะนั้นจาฆ่าคือการเสียสละให้แก่เพื่อนมนุษยชาติหรือสัตว์ที่ไรฉันที่พูกเกี่ยวข้องอ น, นี่หลักธรรมของพระศาสนาอันนี้สําหรับฆราวาสแต่ ว, ว่าฆราวาสธรรมพระสงฆ์เอามาใช้ก็ไม่ผิดเหมือนกันน่ะสัจจะพระสงฆ์ไม่มีสัจจะก็ยิ่งแย่ใหญ่เอันนี้สําหรับสอนฆราวาสฆราวาสอยู่เบื้องนอกอยู่ด่านแรก ในการประพุทธปฏิบัติธรรมเนี่ยพระสงฆ์ในด่านสูงขึ้นมาแล้วถ้าพระสงฆ์ยังไม่มีสัจจะไม่มีธรรมะไม่มีขันติไม่มีจาระฆะแล้วจะสูงขึ้นมาได้อย่างไรหยุดสูงขึ้นมาไม่ได้เพราะนั้นฆราวาสเนี่ยเป็นด่านแรกเป็นผู้เริ่มต้นจะให้มีธรรมะทั้งสี่ประการกว่าคราัาสธรรมธรรมสาหรับฆราวาสเนี่ยะาาาา น, นะพวกเราทุกๆ ท, ท่านพวกพุทธศาสนาสอนให้ฉลาดสอนให้ใช้ความคิด สอนให้รู้จักการเทศยะการสถานที่บุคคลเรื่องเหตุเรื่องผลไม่ใช่สอนให้งงๆไม่ใช่สอนให้ไม่ได้คิดไม่ใช่สอนให้อยู่เฉยเฉยสอนให้ใช้ความคิดแล้วก็ศึกษาให้ไต่ตรองให้ศึกษาให้อายสายการได้ยินได้ฟังถ้าไม่อาศัยการได้ยินได้ฟังมันโง่เด้คนเราน่ะจะวิคิดะห์ตัวเองฉลาดนะไม่ได้นะสุตตรมยะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟัง กินตามยะปัญญาปัญญาเกิดจากจินตนาการและการไตรตรองหาเหตุและผลภาวนามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทำจิตให้สงบทำจิตให้เป็นหนึ่งแล้วก็ไตรตรองหาเหตุและผลที่มันละเอียดลึกซึ้งค้นหาสิ่งที่มันละเอียดลึกซึ้งในจิตใจของตนเองจนสามารถที่จะถอดถอนกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากจิตใจได้นั่นแหละหลักของพุทธศาสนา อันดับแรกก็คือสุดสมยะปัญญาปัญญาอาศัยการได้ยินได้ฟังอย่างพวกเราได้ยินได้ฟังในวันนี้แหละหลายรถหลายชาติหลายครั้งหลายคราวเนื้อควาอาศัยการได้ยินได้ฟังผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งในที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วแต่ไม่เข้าใจชัดจะเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้นบันเทาความสงสัยเสียได้ทําความเห็นให้ถูกต้องได้ขณะฟัง ของผู้ฟังจะได้รับความผ่องใสนนี้เราว่าอันิี่สงแห่งการฟังธรรมมีห้าอย่างในหลักของพุทธศาสนาคือการฟังเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญมากคือการศึกษาถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังแล้วเราจะปฏิบัติให้ถูกต้องไม่ได้หลักธรรมของต้องทำคำสั่งสอนของบร้ดูจาร์เพราะนั้นควรจะศึกษาเอาหนังสือธรรมะบังหนังสือเทศธรรมะบังเทพบังนั่นนหะเอาไปฟัง เอาไปศึกษาพวกเราจะได้รับความรู้ความฉลาดไม่มากก็น้อยว่างั้นแต่เวลาฟังอ่านธรรมะเนะี่ยปล่อยวางทําใจให้เป็นกลางกลางอย่าไปเข้าข้างตัวเองให้ทําใจให้เป็นกลางกลางทำใจให้เย็นเย็นทำใจให้นิ่งนิ่งอืมเราจะค่อยฟังฟังฟังฟังไปจากนั้นก็จะเข้าอกเข้าใจรู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักแก้ไขปรับปรุงตัวเองจากนั้นพวกเราก็จะมีแต่ความ ปรมเ ย, ยนผาสุขทางจิตใจจิตใจก็ไม่บุนวายยุ่งเหยิงบุนวายจิตใจรู้จักปล่อยรู้จักวางไม่เดือดร้อนเคยพูดอยู่เสมอาว่าคนไม่มีธรรมะในจิตใจ น, น่นแหะเมื่ออายุเท่าแก่ชรามาแล้วจิตใจว้าเวได้อไม่ศึกษาธรรมะเตรียมเอาไว้แต่เนิ่นๆนะพออายุแก่ขึ้นมาแล้วมันคนไม่มีธรรมะมันว้าเวได้ว้าเวอ้างวางเงียบเหงาอถ้าเป็นคนแก่ก็คนแก่แบบห้อยเงานน้าน่ะถึงจะร่ำรวยขนาดไหนก็เถอะ อยู่แบบน้อยเงาอยู่แบบว่าเวอยู่แบบไม่มีที่พึ่งอยู่แบบคิดพราวะประวงหาลูกหาหลานจะเข้ามาเป็นหมู่เป็นเพื่อนอันนั้นคือคนไม่มีธรรมะแต่คนมีศึกษาธรรมะแล้วอยู่กับพุโทโธอยู่กับพุโทโธธรรมโมสังโฆอยู่กับลมหายใจเข้าออกอยู่กับคุณงามความดีได้ลึกถึงคุณงามความดีของตัวเองเมื่อไรจิตใจก็ ย, ยิ้มย่องผ่องใสเบิกบานไม่วิตกไม่กังวล ไม่ได้พึ่งพาอาศัยลูกหลานกับใครๆทั้งหมดเราเกิดมาถึงคขาเราเราก็ต้องไปเองเราไม่ต้องพึ่งพาอาศัยลูกหลานลูกหลานก็เรื่องของเขาเขาตำมาหาเลี้ยงชีพเขาเกิดมาเขาใหญ่มาตระกรรมของเขาเรากรกรรมของเราเราสร้างบุญใส่กี่ใส่ใจของเราเราจะไปพึ่งพาอาศัยใครเราจะทําบุญสิ่ไหนเราก็ทําที่เราส่องแสวงหามาด้วยความยากลําบากเราจะทจําสิ่งไหนอย่เราจะส่งข้อาะก็ทํา เราจะแบ่งไว้ยังไงแล้วก็แบ่งเอาไว้ไม่ใช่ว่าจะให้เขาเป็นใหญ่ทั้งหมดมอบเป็นเขาทั้งหมดตัวเองไม่มีสิทธิ์อะไรอันนั้นคือความไม่คิดไม่รอบคอบเพราะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมทัพภูปฏิบัติธรรมแล้วจะรู้รอบขอบชิดต่างๆพวกเราควรศึกษาธรรมะปฏิบัติในวันนี้เป็นวันพระขึ้นแปดค่าเดือนทิศสองณอีก วันพระนาเนี่ยก็เป็นเดือนสิบสองเพนละวันน้อยประทงเป็นวันสิ้นสุดของเขตฤดูฝนต่อไปก็เข้าเขียนฤดูหนาวละบันชีวิตของเราก็ผ่านไปเรื่อยๆอย่างเมื่อวานไปเห็นคนตายาไปมาติกาโอ้อายุกับเพียงหกสิบกว่ามั้งเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดเช่นเลือดใหญ่อมั้งพร้อมเลือง จนมองจนจําไม่ได้เลออยเพงั้นเถอะดูดูดละร่างกายมันน่าสยดสยองน่าขยะขยะงและเกินไปเห็นนแล้อไม่ว่าเขาว่าเราท่านก็ไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นเขาก็ไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นแหละเราก็ไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่อีกวันหนึ่งพวกเราจะต้องเป็นอย่างนั้นวันนั้นพวกเราควรจะเตรียมตัวไว้ตั้งแต่วันนี้แหละถึงมันจะเป็นยังไงก็ให้มันเป็นะร่างกายสังขารแต่จิตใจของเราให้ช่มชื่นเบิกบาน อย่างพระติสระในครั้งพระพุทธเจ้าท่านเป็นโรคผิวหนังผุพองไหลยเยิ้มแตกไปหมดในร่างกายแต่พระพุทธเจ้าเห็นว่าท่านจะได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ในวันนี้ท่านก็พาพระอานุ์ไปมันก็ไปเห็นพระนอนอยู่ใ ต, ต้โถงกุฏิโอ้โหผีในร่างกายมันแตกเละไปหมดเลยท่านก็ถามว่าติสระเธอทําไงกระผมป่วยกระผมอา้าว ไม่มีใครดูแลท่านเหรอไม่พระเจ้าค่ะเพราะผมไม่ได้ทําความรู้จักกับพระเนรพระองค์อยู่ตามลําพังไม่มีอติเลขาลาบไม่มีอะไรให้แก่พระเนรพระเนรเลยไม่ได้มาดูข่าพระองค์เหมือนนั้เอออย่างนั้นเหรอไปอาบน้ไปต้มน้ําำพระอนุ์ไปต้มน้ําต้มน้ําเสร็จก็ผสมน้ําให้อุ่นเอพระอนุลก็เป็นคนอาบน้ําให้เหมือนเดี๋ยวล้างฝีล้างหนองเนี่ยมันเต็มเล็กร่างกายมันเหม็นคลุ้งไปหมด พระพุทธองค์เป็นคนตักน้ำลาดว่างั้นเถอะพระเจ้าเป็นคนตักน้ำลาดพระนอนเป็นคนเช็ดนีเ่เป็นคนอาบน้ำให้ก็ อ, อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยท่านก็ผมผ้าให้เรียบร้อยเช็ดร่างกายให้เรียบร้อยคอให้เรียบร้อยจากนั้นเอามานอนไว้แต่ไหนพอนอนเสร็จแล้วท่านก็พุทธองค์ก็ถามว่าติดสระร่างกายอันนี้ยมันเป็นของเราใช่ไหมไม่ใช่พระเจ้าค่าวงั้น ร่างกายเป็นทุกข์ใ <dans> ช่ไหมเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะมันเป็นทุกข์ถ้ามันเป็นทุกข์นี่เรายึดถือว่าเป็นของเราใช่ไหมติดสะมไม่พระเจ้าข่าถ้าเราไม่ยึดถือก็ไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ใช่เหรอไม่ใช่ถ้าวันเป็นของเราเราบอกไม่ให้มันเจ็บอได้ไหมว่าร่างกายของเราเนี่ยว่าเป็นของเราเราบอกว่าอย่าเจ็บนะอย่าป่วยนะอย่าไข้นะเอได้ไหมบอกไม่ได้พระเจ้าค่ะถ้าบอกไม่ได้มันก็ไม่ใช่ของเราไม่ใช่เหรอพระเจ้าข่าว คือใจคือนามธรรมนะ่ะบอกร่างกายสรุปแล้วก็คือในตัวของเรามีอยู่สองนะคือนามธรรมกับรูปธรรมถ้าเราศึกษาธรรมะเราเราจะรู้ได้แบบรูปธรรมนั่นคือร่างกายนามธรรมนั้นคือจิตใจจิตใจนั่นคือเป็นเจ้าของของร่างกายพระพุทธเจ้าท่านเน้นหนักเรื่องนามธรรมคือใจนะมากกว่าเพราะฉะนั้นว่าติสใจได้ฟังแล้วแต่ เ, เกิดความเบื่อหน่ายคลายหลุดพ้นเป็นพระหรัน พอเป็นพระทหารพระพุทธองค์กับพระนรนก็ออกมาเกิดประชุมสงฆ์สง์บัญญัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพระสงฆ์อยู่ในวัดถ้าว่าเป็นอุปชาก็ต้องดูแลลูกศิษย์ถ้าอุปชาป่วยลูกศิษย์ต้องดูแลถ้าว่าลูกศิษย์ป่วยอุปช า, าจารย์ต้องดูแลศิษย์ถ้าไม่ดูแลปรับอบัติทุกฎเนะียก็เลยบัญญัติพิในขึ้นมาคือสรุปแล้วก็คือให้พระสงฆ์ดูแลซึ่งกันและกัน จะปล่อยปลาลนเลยหน้าที่ไม่ใช่ข่าข่าไม่ใช่หน้าที่ไม่ได้นี่ต้องดูแลกันโอ้ไงเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายยังไงต้องดูแลกันต้องเกื้อกูลอุดหนุนกันต้องช่วยเหลือกันเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้คือพระวินัยแต่ส่วนพระธรรมนั่นก็คือเนี่ยร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเราอย่างพระติสัสพวกเราก็คงจะลักษณะนั้นเหมือนกันเน่ยร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเรานะอีกสักวันหนึ่งต้องจากแน่นอน จากพวกเราแน่นอนเพราะนั้นพวกเราควรเตรียมตัวไว้อย่าประมาทควรจะสร้างคุณงามความ ด, าาดีสร้างบุญสร้างกุศลเศรษกิจเศรใจของพวกเรานั่นแหละจึงจะเป็นประโยชน์อันนี้คือพระธรรมคําสั่งสอนของพระพทุทธเจ้าในหลักของพระศาสนาท่านแนะนําท่านสอนอย่างนั้น